ที่อินเดียมีหมอคนหนึ่งชื่อหมอพานุครอบครัวก็ดีแต่ว่าพอเรียนจบหมอก็มาไปอยู่ในดินแดนที่ธุรกันดาลช่วยเหลือคนยากคนจนค่ารักษาพยาบาลก็เก็บถูกๆนะคนยากจนก็บางทีไม่เก็บเลยก็มีมีคราวนึงเนี่ยมีชายหนุ่มมาขอร้องว่าพ่อเขาป่วย ป่วยหนักด้วยเนี่ยขอให้หมอนช่วยไปรักษาหน่อยต้องเดินทางไกลทีเดียวนะบุกเข้าไปในป่าหมอพานุกแกก็ไปนะาคนป่วยนี่ก็เป็นคนจนหมอพานุก็รักษาจกนกระทั่งดีขึ้นนะรักษาโดยที่ไม่คิดเงินเสร็จ แ, แล้วก็กลับม า, าใช้เวลาหลายวันทีเดียวนะกว่าจะกลับมายัางคลินิกของตัวได้ไม่กี่วันต่อมา ทั้งพ่อและลูกนะพ่อคือคนที่ป่วยเนี่ยก็มาหายกมือไหว้ขอบคุณแล้วก็ขอโทษแล้วก็ถามหมอว่าเนี่ยตอนนี้เขาป่วยอยู่เนี่ยเขามีเงินอยู่สามสิบรู ป, ปีแต่ว่าพอหมอไปเขาก็หาไม่เจอก็เลยสงสัยว่าหมอเอาเงินไปหรือเปล่านะคนไข้ที่อยู่ในคลินิกหมอก็ตอบว่าพ่อลูกเนี่ยสองคนเนี่ยว่า พูดอย่างนี้ได้ยังไงนะหมอแกเป็นคนดีเสียสละจะตายมาหาว่าหมอขโมยเงินนะหมอพานุก็เห็นว่าเรื่องมันช่าจะไปกันใหญ่ละก็เลยบอกว่าเออขอโทษด้วยนะเอาไปจริงๆแล้วคืนเงินสามสิบรู ป, ปีให้สองพ่อนี่ก็ดีใจนะก็กลับบ้านแต่ว่าคนที่เหนเหตุการณ์นี่เขาก็รู้สึกว่าโอ้หมอพานุนี่ เป็นอย่างนี้เองจริงหรือนะข้างหน้าชาวเป็นนักบุญนะแต่ไปขโมยเงินคนจนก็ก็ลือกันไปนะต่อว่าหมอพานุนะเสเสร ห, หยหมอพานุก็ไม่ว่าอะไรนะก็ยังรักษาคนไข้ต่อไปถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าสายตาของคนเนี่ยมองแกนะเปลี่ยนไปนะ ไม่นานนะสองพ่าลูกคนเดิมคู่เดิมก็กลับมาอีกนะแล้วก็คราวนี้ก็มาไหว้แล้วก็ขอโทษนะบอกว่าไอ้เงินสามสิบูปีเนี่ยที่หาไม่เจอที่จริงมันตกนะอยู่ข้างเตียงกลับไปแล้วนี่ถึงเพิ่งเจอก็เลยเอาเงินสามสิบรูปีมาคืนหมอนะนะหมอก็รับเอาไว้ชาวบ้านก็เลยรู้โอ้โหที่จริงนี่หมอพานุนี่ไม่ได้ขโมยเงินคนไข้นะ ก็กลับมาชื่นชมสารเสริญ น, น ะ, ะถ้าตอนหลังพอหมอพานุตายนะเขาก็ทำทําอนุษสาวรีให้นะอันนี้เกิดขึ้นที่รัฐไมซอร์นะอินเดียได้อ่านเรื่องราวนี้ก็น่าประทับใจนะลืมบอกไปว่าสาเหตุที่หมอพานุเนี่ยรับว่าเอาเงินไปเนี่ยนะ ก็พอเขาเห็นว่าเงินสามสิรูปีเนี่ยสาหรับคนจนเนี่ยมันเป็นเงินที่มากทีเดียวสาสิรูปีสมัยก่อนก็อาจจะประมาณสักหกสิบบาทนะรูปีหนึ่งบาทนะแต่ตอนนี้มันห้าสิบตังค์ละสมัยก่อนก็สองบาทสามบาทนะหมอแกก็เห็นว่าสามสิบรูปีมันเป็นเงินก้อนใหญ่สําหรับคนจากจนในเพราะพ่ อ, พอลูกสองคนนี้นก็เลยรับรับว่าเอาไปนะจะได้ เป็นข้ออ้างที่จะคืนเงินที่จริงไม่ใช่คืนเงินก็คือให้เงินเข้าไปนะถ้าให้เงินปอบปากคงไม่รับนะก็เลยรับว่าเออเอาไปแล้วก็จะได้คืนเงินให้อันนี้ก็เป็นวิธีช่วยของหมอพานุนะที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคนยากจนทั้งทั้งที่มันหมายถึงการเสียชื่อเสียงนะแล้วการช่วยคนด้วยเสยสละเงินทองนะมันก็เป็นเรื่องยากแล้วนะแต่สาหรับ ในบางกรณีเนี่ยมันช่วยเงินไม่พอนะมันต้องยอมเสียสละเสียสละชื่อเสียงด้วยการสละเงินทองนะการสละอวัยวะบางทีมันยังยากกว่าการบางทีมันยังง่ายกว่าการสละชื่อเสียงนะอย่างบางคนก็ยอมสละไตนะให้คนไข้หรือว่าให้คนที่เดือดร้อนอันนี้น้อยยากแล้วนะแต่การที่ยอมสละชื่อเสียง ยอมให้คนเข้าใจผิดนะเพียงเพราะว่าอยากจะช่วยคนอื่นเนี่ยอันนี้มันยากนะแต่ว่าบางครั้งก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทำนะาการช่วยคนเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องยอมนะยอมยอมให้คนเข้าใจผิดนะในทางพุทธศาสนา น, นี่ก็พูดถึงเรื่องการสละหรือเรื่องทานนะว่ามีอ่าสามอย่างนะก็คืออ่าสละสิ่งของอันนี้เรียกทานธรรมดา ถ้าเป็นอุปรบรมีก็สละอวัยวะนะถ้าเป็นปรัมมัทธบรรมีก็สละร่างกายสละชีวิตนะแต่ที่จริงต้องมีมันต้องมีอีกอย่างหนึ่งนะสําหรับโดยเฉพาะสำหรับยุคนี้คือการสละชื่อเสียงหมายความว่าถ้าจะช่วยเขาเนี่ยบางทีก็ต้องยอมให้คนอื่นเข้าใจผิดนะอย่างเราเคยได้ยินเรื่องราวของท่านฮากุอินนะฮากุอินนี่เป็นพระญี่ปุ่นนะเมื่อสองรอยปีที่แล้ว มีวันหนึ่งก็มีคนมาโจดว่ามีผู้หญิงกล่าวหาว่าท่านเนี่ยทำเขาท้องนะหญิงสาวนะมากล่าวหาว่าท่านเนี่ยทาเขาท้องพ่อแม่ของหญิงสาวก็มาต่อว่าด่าว่าท่านเสียหายเลยนะว่าเป็นพวกนะมือถือศักดปากถือศีล น, นะทำผู้หญิงท้องท่านก็ไม่ได้แก้ตัวนะทก็พูดเปว่ า, วาอ๋ออย่างนั้นเหรอและต่อมาพอผู้หญิง พอลูกนะพ่อแม่ของผู้หญิงก็เอาทารกเนี่ยเอาหลานเนี่ยมาให้ท่านเลี้ยงท่านก็พูดเพียงแค่ว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอนะแล้วท่านก็เลี้ยงไปนะเลี้ยงเด็กเช็ดขี้เช็ดเดี่ยวป้ อ, อนหาไปหานมมาเนะีเลี้ยงเด็กทารกก็เรียกว่าวุ่นวายพอสมควรเพราะท่านไม่เคยเลี้ยงเด็กแค่นี้ก็ยากพอแรงอยู่แล้วนะยังไม่ต้องนับว่าชาวบ้านเนี่ยก็กล่าวหาท่าน นะหาว่าท่านเป็นคนที่ เ, เป็นคนเลวแล้วก็ว่าได้นะเป็นพระที่ใช้ไม่ได้ทําผู้หญิงท้องแล้วไม่รับนี่ท่านก็ไม่สนใจท่านก็เลี้ยงเด็กไปเลี้ยงทารกไปจนทั่งสุดท้ายเนี่ยแม่ของเด็กเนี่ยก็คือหญิงสาวคนที่หาว่าท่านว่าหาว่าท่านทําให้เขาท้องเนี่ยทนไม่ได้นะก็เลยสา ร, รภาพกับแม่ของตัวพ่อแม่ของตัวว่านเนี่ยจริงๆเนี่ย พ่อของเด็ยคือไอ้หนุ่มนะข้างบ้านนี่เองนะไปรักรอบนะได้เสียกันแล้วพอท้องก็ไม่กล้าบอกความจริงก็เลยโยนความผิดไปให้ท่านฮา ก, กุอินตกลงความจริงก็เริ่มปรากฏนะพ่อแม่ของผู้หญิงคนนั้นก็เลยมาหาท่านที่วัดแล้วก็ขอโทษขอโพยขอโทษขอโพยใหญ่เลยนะเพราะว่าไปหาว่าท่านเป็นพวก มือถือสากปากถือศีล น, นะทาให้ชาวบ้านที่เข้าใจท่านก็ผิดทั้งหมู่บ้านเลยท่านก็ไม่ว่าเลยเขาเป็นพูดเพียงว่าเอออย่างนั้นเลยนะใครว่าท่านท่านก็อย่างนั้นหรือใครชมท่านนะท่านก็ว่าอย่างนั้นหรือเนี่ยเขาก็ชมท่านนะโอว่าเป็นพระที่ดีมากนะยอมเสียสละนะคือที่ท่านทํางั้นก็เพื่อช่วยนะช่วยผู้หญิงนะผู้หญิงเขาท้องนะแต่ก็ไม่กล้าบอกความจริง แล้วก็คงอยากจะช่วยเด็กผู้ชายด้วยนะเพราะว่าในเมื่อเขายังไม่พร้อมนะท่านก็รับเองนะอันนี้เราเป็นการเสียสละมากทีเดียวนะการช่วยคนบางคนในบางครั้งเนี่ยมันหมายถึงการที่ต้องยอมให้คนอื่นเข้าใจผิดแต่ถ้าหากว่ามีเมตตากรุณามากนี่ก็ต้องยอมนะอันนี้ถธอเป็นการบําเพ็ญบารมีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถึงแม้ว่าบารมีข้อนี้นะไม่มีอยู่ใน ในตำรานะเพราะอย่างที่ว่านะทานสามระดับเนี่ยก็พูดแต่เพียงว่าสละทรัพย์สินนะสละอวัยวะแล้วก็สละชีวิตนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะช่วยคนเนี่ยมันไม่พอเท่านั้นนะมันต้องสละชื่อเสียงด้วยนะคือยอมให้คนเข้าใจผิดอันนี้เป็นต้องถือว่าเป็นการถ้าใครทําได้นี่ก็ถือว่าน่าอนุโมทนามากแล้วก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีด้วย นะเพราะว่ามันเป็นการลดละอัตตาตัวตนนะให้ชื่อเสียงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอัตตานะคนเราอยากได้คนชื่นชมสารเสริญเพราะว่ายังมีอัตตาตัวตนหรือว่ายัง ย, ยึดถือในตัวกูของกูอยู่นะใครมาต่อว่าหรือใครเข้าใจผิดก็รู้สึกว่าไม่พอใจโกรธนะเพราะว่าอัตตาเนี่ยมันถูกทรมานอัตตามันถูกกระทบนะด้วยคาด่าว่าด้วยความเข้าใจผิดด้วยสายตาที่เมินเฉย อัตตามันมันดิ้นเลยนะมันดิ้นมันทุกข์มากแต่ว่าคนที่เขามีเมตตากรุณามากเขาก็พร้อมนะัที่จะยอมยอมทุกข์ทรมานหรือว่ายอมเจ็บปวดเพื่อช่วยผู้อื่นที่เดือดร้อนกว่าแต่ว่าถ้าคนที่เขาถึงทมนะมันก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าก็เห็นว่าไอ้ไอ้ที่ทุกข์ที่ทรมานเนี่ยมันเป็นอัตตาเป็นกิเลสที่ทุกข์นะแต่ว่ามันไม่ใช่เรานะ ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรานะไม่ใช่ของเราแนละ้วยิ่งอัตตาตัวตนน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งรู้สึกทุกข์ยิ่งรู้สึกทรมานน้อยลงแต่ถ้าอัตตาตัวตนเยอะนี่มันก็จะทุกข์มันทรมานมากจนทนไม่ได้นะการปฏิบัติทั้งคือการที่จะลดละนะอัตตาตัวตนหรือลดละความยึดมั่นในตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาดา่ามาว่าแล้วก็เฉยนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ถูกกล่าวหา ว่าฆ่านางสุนทรีนะนางสุนทรีนะทำทีว่ามาหาพระเจ้าตอนเย็นญาติโยมเขาเดินออกจากวัดเชตวันนางสุนทรีก็ทําทีมันก็เดินเข้าวัดตอนเย็นเย็นพอตอนเช้าญาติโยมมาวัดใส่บาตรก็เห็นนางสุนทรีเดินออกมาจากวัดเหมือนกับว่าอยู่ที่นั่นทั้งคืนทําอย่างนั้นเนี่ยหลายวันในที่แล้วนางสุนทรีก็กลายเป็นศพนะเพราะว่า มันเป็นแผนของพวกอัญญาเดริถีนะต้องการที่จะใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่าฆ่านางสุนทรีเพืะปิดปากนะคนสาวสถีนนี่ก็ลือกันใหญ่เลยนะว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่นะไม่ดีอย่างนะั้นไม่ดีอย่างนี้นะที่ทำมาทั้งหมดนี่มันเป็นการเป็นการอหลอกลวงทั้งสิ้นนะกล่าวหาพระเจ้าไปฆ่าผู้หญิงพระองค์ก็นิ่งนะนิ่งไม่แก้ตัว คนเข้าใจผิดยังไงท่านก็เฉยนะจะว่าพระองค์ทุกข์ก็คงไม่ใช่นะเพราะว่าไม่มีตัวตนที่จะทุกข์ละแต่รู้ว่ากราณีแบบนี้นี่พูดไปก็ไม่มีประโยชน์จนทั่งผ่านไปเจวันนะความจริงก็ปรากฏว่าออกมันมีมันเป็นแผนรลวงนะ ของพวกอัญญาเดลถีคนฆ่าก็สารภาพเองว่าไปฆ่าไปคุยโมะไปคุยโมดแล้วไปเข้าหูจารชนนะจารชนหรือสปายนี่ก็เลยมาบอกไปบอกพระเจ้าประสันติโกศลก็เลยจับคนฆ่าได้คนสาวธีนี่พอรู้ว่าพระเจ้านี้ไม่ได้ฆ่านางสุนทรีก็หันกลับมาสารเสริญแต่พระองค์ก็เฉยนะเพราะว่าไม่วั่นไหวกับคําสารเสรวดินทายอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องคนที่ไม่มีอัตราตัวตนที่จะทุกข์นะเพราะว่าคํา ดินทาหรือคําต่อบว่าถึงแม้พวกเรายังมีตัวตนอยู่นะแต่ก็ต้องฝึกนะฝึกจากฝึกจากการที่คนเนี่ยตอว่าฝึกจากการที่คนเข้าใจผิดนะอย่าไปโกรธอย่าไปโมโหนะอย่าไปตีโพยตีพายถือว่าเนี่มาเป็นสิ่งที่ฝึกเรานะหรือจะนึกอย่างหมอพานุ ก, ก็ได้ว่านะช่วยคนนะก็ต้องช่วยคนอย่างให้ได้เรื่องนะ บางทีมันก็ต้องยอมให้คนเข้าใจผิดไม่งั้นก็ช่วยไม่สำเร็จนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเอามาเป็นแบบฝึกหัด น, นะของเรานะในการที่จะลดละอัตราตัวตนหรือว่าจเจริญเมตตากรุณาให้งอกงามเตรียมรับพอ